ว่างจากความโกรธเมื่อมาสู่โลกนี้ทุกคนต้องเจอเรื่องหน้าโกรธแต่ไม่ทุกคนที่อยากโกรธไม่ทุกคนที่หวงความโกรธนั่นเพราะแต่ละคนเห็นความโกรธต่างกันบางคนเห็นความโกรธเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง บางคนเห็นความโกรธเสริมความน่าคร้นครามของตนบางคนเห็นความโกรธเป็นวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ขณะที่บางคนเห็นความโกรธเป็นไฟเผาตัวต้วตองรีบดับโกรธไม่เป็นไรแต่อยากเกลียดก็แล้วกันเพราะโกรธนั้นทุกเดียวเดียว แต่ถึงขั้นเกลียดจะต้องทุกยืดเยื้อและอาจยาวนานกว่าที่คิดเกลียดไม่เป็นไรแต่อย่าอาคาดก็แล้วกันเพราะเกลียดนั้นทุกอยู่คนเดียวแต่ถึงขั้นอาคาดจะเป็นทุกหลายคนและอาจลงเอยเป็นโศกกันนาตรกรรคาดไม่ถึง ต้องคุณถึงจะโกรธได้จิตต้องทึบถึงจะเกลียดลงจิตต้องมืดบอดถึงจะอาฆาตนานจิตต้องสว่างจึงจะดับอาฆาตสนิทจิตต้องโปร่งจึงจะระ ง, งับความเกลียดไว้จิตต้องใสถึงจะหยุดความโกรธเร็ว ถ้าเห็นความโกรธเป็นโรคทางใจก็จะยอมอภัยแลกกับการฟื้นไข้เมื่อถูกโรค ก, กระทบแล้วโกรธนั้นไม่แปลกแต่หลังจากคิดแล้วยังโกรธหรือหลังจากคิดแล้วถึงค่อยโกรธแสดงว่ายังคิดจากความว่างไม่เป็นเป็นแต่คิดสร้างความทึบเป็นแต่คิดสร้างกำแพงไฟ โทสะคือรากแห่งบาปข้อที่สองบุคคลละความโกรธได้แล้วย่อมนอนหลับสบายฝันร้ายไม่มีเมื่อนั้นมองย้อนไปจะรู้ความโกรธทำให้เราอยากฆ่าบางสิ่งจะดียิ่งหากสิ่งนั้นคือความโกรธคิดแล้วใจเย็นแปลว่าเห็นความว่างในท่ามกลางเรื่องร้อน